สวัสดีครับครับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องอะไรเชิญ ยังมีการกล่าวถึงอยู่ในพงศาวดารภทลุงปรากฏในหนังสือพระสังฆภิกานฉัตรทรรณบรรโพสอาจารย์ กล่าวที่ค้นพบจากพงศาวดารและจากคําบันทึกของพระเจ้าของตําราพระอาจารย์ทุกองค์ในสํานักว่าเข่าออมีความรู้ความชื่อพระ ในสมัยนั้นสมัยนั้นทางฝั่งทะวันตกของทะเลสาบตรงกับวัดพระเกิดตำบลฝาละมีอำเภอปากพญูในปัจจุบัน นางเลยขาวกล่าวว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์คือเลือดในตัว พบบันทึกในปีกุ่นว่าเริ่มนำตัวไปถวายพระอาจารย์ทองเมื่อ 301 จะศึกษาอยู่นานเท่าต่อ แต่งงานเป็นสามีภรรยากันภรรยากงคองโปรดให้ไปเป็นชื่อภกุมารและหนังเลือดขาวตั้งเมืองอยู่ที่บางแก้วฝั่งทะเลสาบตะวันตกชื่อเมืองเดิมเป็น ทากุมารและนางเลิศพระเจดีเป็นผู้มีความเช่นวัดบังแก้ววัดสถันใหญ่เมื่อปี 1493 สร้างวัด สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 1 องค์พอจะจับข้อมูลได้ จังหวัดสงขาว่าเมื่อจุลศักราช 991 พระสามีรามวัดพระโคหรือที่เราครั้ง ยังมีพราหมณ์เป็นนักป่ามาจากประเทศสิงหนผลมาๆจนชนะพราหมณ์ชาว สูง 1 เส้น 5 วามีระเบียงล้อมว่าขลันฉลองพระเจดีย์นั้นท่านองค์ 1 ชื่อสมเด็จซึ่งคงจะเป็นชื่อที่ยกย่องจอมทอง แต่แผ่นอภินิหารวิ่งเรือไปเลยขึ้นไปถึงเขา ทำเป็นก้อนยาวประมาณ 2 ศอกโตเท่าขาให้พระนำไปถวายสมเด็จเจ้าจอมทองวัดเขาออครั้นถึงเวลา แล้วส่งให้ศิษย์ตัดแบ่งถวายพระอย่างข้าวเหนียวธรรมดาอยู่มาวันหนึ่ง แล้วผ่าด้วยมือของท่านเองออกเป็นชิ้นๆถวายพระพระอาจารย์วัด และตรวจทาวิชาสงฆปัญชาตีแขลควาดมหาอุดสอนให้รู้กําเนิดที่มาของ ซึ่งนับว่ามีบุญยาววาสนาสูงส่งยิ่งนักนอกจากจะมีสัตว์นุษย์ศิษย์มากมายแล้วสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งเข้ามา คันนี้คนต่างถิ่นศักดิ์สิทธิ์เขาว่าครั้งหนึ่งคนต่างถิ่นตามล่า 2 3 วันแล้วจะ วันหนึ่งกวางเผือกตัวนี้ได้วิ่งเข้ามามอบอยู่หน้ากุฏิของท่าน เจ้ากวางเผือกเกือบจะไปเป็นอาหารของเขาเสียแล้ว สัจจะเบียดเบียนเจ้าบังหลาชายผู้งูงูฉันกลัวฉันกลัว มันส่งเสียงร้องร่านด้วยความกลัวงูแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน สมเด็จเจ้าจอมทองเคยเอ่ยถึงกา 2 ตัวนี้ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่ แล้วส่งเสียงครู่หนึ่งลั่นกุฏิอยู่เป็นเวลานานสมเด็จเจ้าจอมทองก็ คงมาได้มาเขาอ้ออีกเขาจะมาเขาอ้ออีก ที่พอสืบคนประวัติใดบ้างนับแต่สมัยพระ มีเส้นผมสีขาวเส้นผมสีขาวซึ่งไม่สามารถโกนหรือตัดขาดได้น่า ส่วนมารดาชื่อนางลอดตัวของท่านเป็นพี่คนโตและมีน้อง 2 คนเป็น มีอาการบนบานสารกล่าวว่ามากจะบวดเป็นการถวายแก้บนหลังจากนั้นไม่นานตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาล หอกได้วัดดอนศาลาซึ่งเป็นศิษย์สาย 8 ค่ำ 15 ค่ำพระอาจารย์เอียดเหาะได้จะ ได้พบเห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาจึงได้ขนาดนามพันว่า ก็ทั้งนี้ก็โดยความปัฒนาดีที่อย่างให้สิทธิ์ของท่านได้ดีในวิชาความรู้เตือนทั้งนี้ก็โดยความปรารถนาดีที่ ให้ท่านได้มรณภาพเมื่อปี 2470 ขณะ 78 ปีสิ่งหนึ่งที่เหลือไว้หนึ่งที่เหลือไว้สําหรับคือวัตถุมงคล BT ป้านํ้ามันงาซึ่งในสมัยท่านเป็นพิธีกรรมที่เข้มขันเป็นและเครื่อง อาภิกาของพระครูสังฆวิจารฉัตรพันบรรโพสพระอาจารย์ทองเฒ่า 2450 เป็นต้นมาที่พบเห็นจะเป็นเนื้อสำริด ก็จบไปแล้วนะครับจบปราวัติพระอาจารย์ทองเท่าแล้วนะครับสําหรับเรื่องประวัติพระๆโปรดกด like, Subscribe ก็จบไปแล้ว โปรดติด